เคาะในที่ต่ำใส่ไว้ในถุงแล้วคล้องบ่านุงให้เรียบร้อยคาดประกดเอวซ้อนผ้าคือจีวรกับสังคติแล้วห่วมผ้าซ้อนนั้นติดลูกดุมล้างบาทแล้วถือเข้าไปด้วยดีไม่รีบด่วนต่อจากนั้นพึงปฏิบัติ ต, ตามเสขียวัตรเนื่องในการเข้าบ้านทุกข้อเมื่อเสร็จจากการรับบิณฑบาต ออกจากบ้านแล้วใส่บาทไว้ในถุงคล้องบ่ามวม้วนจีวรวางไว้บนศีรษะใส่รองเท้าเดินไปภิกษุผู้อยู่ป่าพึงตั้งน้ำดื่มน้ำใช้และจุดไฟไว้วางไม้สีไฟไว้ตั้งไม้เท้าไว้เรียนรู้นักสัตว์บทคือเรียนทางเดินของดาวเริ่ทั้งหมดหรือบางส่วนและพึงเป็นผู้ฉลาดในทิศ เ็ดเสนนาสนะวัดวัดหรือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยภิกษุในวิหารใดถ้าสามารถเธอพึงทำความสะอาดพึงจะทำความสะอาดวิหารพึงนาบาจีวร อ, ออกก่อนแล้ววางไว้นาส่วนข้างหนึ่งพึงนาผ้าปูนั่งผ้าปูนอนออกวางไว้นส่วนข้างหนึ่งพึงนําฟูกและหมอนออกวางไว้หน้าส่วนข้างหนึ่ง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 พึงเก็บขยะไปทิ้งณส่วนข้างหนึ่งไม่พึงตีเศนาสนะหมายถึงใช้มือทุบตีหรือใช้ไม้ตีให้ฝุ่นละอองออกไม่ทาในที่ใกล้ภิษุไม่พึงตีเศนาสนะในที่ใกล้วิหารไม่พึงตีเศนาสนะใกล้น้ำดื่มไม่พึงตีเศนาสนะใกล้น้ำใช้ไม่พึงตีเศนาสนะ ใ, ใ, ในลานด้วยทวนลม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 ทำความสะอาดแล้วเคาะแล้วทำให้ต่ำนำไปให้ดีมีให้ครูดสีบานและกรอบประตูแล้วพึงตั้งไว้ณที่เดิม <K ill> ฟูกและหมอนพึงตากแดดไว้หน้ส่วนข้างหนึ่งทำความสะอาดแล้วตีแล้วจึงนำไปวางไว้ณที่เดิมผ้าปูนั่งผ้าปูนอนพึงตากแดดไว้หน้ส่วนข้างหนึ่งทำความสะอาดแล้วสบัดแล้ว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 วัดหรือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับอุปัชยะสัตธิวิหาริกคือผู้ที่อุปัชยะอวดให้เพึ่งลุกขึ้นแต่เช้าถอดรองเท้าทำผ้าห่มเฉวียงบาถวายไม้สีฟันน้ำล้างหน้าปูอาสนะถ้ามีข้าวยาขู่พึ่งล้างภาชนะแล้วน้อมข้าวยาขู่เข้าไปถวายแล้วถวายน้ำรับภาชนะมาล้างเก็บ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 ภิกษุผู้เป็นอุปชายยะคือผู้บวชให้พึงปฏิบัติชอบในสัตถิวิหาริกคือผู้ที่ตนบวชให้ดังต่อไปนี้เอาธุระในการศึกษาของสัตถิวิหาริกสงเคราะห์ด้วยบาทจีวรและบริขารอย่างอื่นถ้าของตนไม่มีก็ขวนขวายหาให้ขวนขวายป้องกันหรือระงับความเสื่อมเสียอันจะมีหรือได้มีแล้วแก่สัต ธ, ธิวิหาริก